วัตถุประสงค์ที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะให้ใจเราเป็นอิสระให้ใจเรามีความสุขเกิดจากความสงบที่แท้จริงความสุขความสงบอันนี้ทำไม่ได้ด้วยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิา ม, าธมันสงบชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ฟุ้งใหม่ทำไม่ได้ด้วยการนั่งคิดคิดเอา ทิ่เราก็คิดไปบางเรื่องก็สบายใจคิดไปบางเรื่องก็กลุ้มใจทําทำได้ด้วยการน้อมาพัฒนาจิตใจของเราการพัฒนาจิตใจมีสองขั้นขั้นหนึ่งพัฒนาจิตใจให้มีเรื่อมีแรงสงบมีแรงมีกำลังด้วยการทำสมะำถะกรรมฐาน สมถกรรมาฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่ามันก็มีประโยชน์สมธถกรรมาฐานเนี่ยมีคนคิดวิธีการทั้งมากมายใครคิดก็ได้มันเป็นสาธารณะเป็นสากลมันก็หลักอันเดียวกันทั้งหมดเลยวิธีการนีแตกต่างกันแต่คนต่างคิดอารมณ์กรรมาฐานที่ใช้ก็แตกต่างกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทํา แต่หลักมันมีอันเดียวคือการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้วการที่จะเอาจิตไปรู้อารมณ์นั้นก็ต้องรู้แบบมีความสุขนะรู้แบบสบายๆรู้แบบผ่อนคลายให้อารมณ์มีความสุขให้จิตมีความสุขความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธินี่น้อยคนนะในโลกที่จะเข้าใจตรงนี้ ในโลกคิดว่าอยากจะสงบอยากจะมีความสุขก็บังคับใจให้นิ่งๆบังคับใจให้อยู่นิ่งๆใจไม่ค่อยยอมให้บังคับง่ายหรอกต้องฝึกกันนานแท้จริงเคล็ดลับของมันอยู่ที่ความสุขถ้ารู้จักเลือกอารมณ์ที่พอดีพอเหมาะกับตัวเองอยู่กับอารมณ์อย่างไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์มันนั้นเราก็ไม่ได้อยู่แบบกดขี่บังคับจิตใจตัวเอง อยู่ด้วยใจที่สบายสบายรู้อารมณ์นั้นอย่างสบายบายพอมีความสุขเท่านั้นเองสมาธิก็เกิดนะความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธินี่คนส่วนใหญ่กลับัว ก, กับหางนะคิดว่าถ้ามีสมาธิแล้วมีความสุขสมาธิที่มีความสุขเป็นสมาธิเบื้องต้นเท่านั้นเองพอจิต ท, ทรงฌานสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจิตไม่ได้มีความสุขในยจิตไปอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ สมาธิชั้นสูงเนี่ยจิตไม่สุขไม่ถูกสมาธิชั้นต่ำๆลงมานจิตมีความสุขนี่วิธีพัฒนาจิตใจอีกแบบหนึ่งสมาธิเนี่ยทำให้เรามีแรงมีแรงแล้วเราก็มาเจริญปัญญางานเจริญปัญญาคือหน้าที่หลักที่จะช่วยปลดปล่อยจิตใจของเราให้เป็นอิสระภาพพ้นจากเจ้าหน่ายลึกลับคือตัวตัณหาแล้วก็มีความสุข เกิดจากความสงบความสงบอันนี้ประณีตมากไม่ใช่ความสงบที่เราสร้างขึ้นมาแต่เป็นความสงบที่เกิดจากจิตนี่มีคุณภาพสูงจนพ้นจากการเสียดแทงความปรุงแต่งของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตนั้นเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วนะเข้ามาย้อมจิตไม่ติด จิตเป็นอิสระอย่างแท้จริงมันถึงมีความสุขอย่างแท้จริงมีความสงบอย่างแท้จริงไม่มีใครมาสั่งมันให้มันดิ้นรนไม่มีใครมากดขี่บังคับมันการที่จิตจะเข้าถึงตรงนี้ได้นะเข้าไม่ได้ด้วยสมาธิหรอกแต่เข้าได้ด้วยการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานะคือการพาจิตให้มาเรียนรู้ความจริงของกายใจของรูปนาม ถ้าเราจิตมันรู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วนะมันจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้กายใจมีอยู่จิตมีอยู่แต่เป็นอิสระต่อกันนะร่างกายกายเป็นเครื่องมือให้จิตใช้งานนะเท่าที่อยางใช้ได้ถึงวันหนึ่งใช้งานไม่ได้ก็ทิ้งมันไปแตนจิตใจนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองนะมีอิสระเต็มที่ขึ้นมา การเจริญปัญญานั้นเป็นทางรอดทางเดียวที่จะทำให้จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นี้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าวิธีทำให้จิตปล่อยวางนะใช้การสะกดจิตบางคนใช้วิธีสะกดจิตนะเพ่งจิตตัวเองทาเป็นเลื่อนๆลอยๆจับอารมณ์ไม่ติดนอร่องรอยว่างๆอันนั้นมันไม่ทำให้จิตหลุดพ้นจริง มันไปปรุงแต่งให้จิตว่างๆให้จิตไม่รับรู้อารมณ์การปรุงแต่งจิตนี่มันปรุงได้สามแบบหนึ่งปรุงชั่วสองปรุงดีก็าสามปรุงว่างนะมีศัพท์เฉพาะเลยปรุงชั่วภาษาบาลีเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารอาปุนอปุญญานะอาปุญญาพิสังขารปรุงชั่วปรุงดีเรียกว่าปุญญาพิสังขาร ปรุงอีกชนิดหนึ่งคือปรุงให้ไม่รู้อารมณ์ปรุงความว่างเรียกอานเนชาพิสังขารนภาษาอินเดียภาษาแคกโบราณไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงชั่วหรือปรุงว่างมันก็ของปรุงจิตยังปรุงอยู่ทางรอดมีทางเดียวคือพาจิตให้เรียนรู้ความจรงิงไม่ใช่สะกดจิตให้เชื่อด้วยบางคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมน่คือการสะกดจิต ทำให้จิตมันเชื่อแล้วจิตไม่ยึดถืออะไรเป็นไปไม่ได้เลยนะสะกดจิตได้มันก็เสื่อมได้วันหลังก็สกดไม่ลงนะแต่การที่พาจิตให้รู้ความจริง เ, เมื่อมันเข้าใจความจริงแล้วนะมันจะไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นมันเหมือนเราว่ายน้ำเป็นละว่ายน้าเป็นนะไม่ได้ไว่ายกี่ปีกี่ปีล้วตกน้ำมันก็ว่ายได้นะหรือเราขี่จักรยานเป็นอนะ ขี่เป็นแล้วเนี่ยไม่ได้ขี่นานๆไปขี่อีกก็ขี่ได้คล้ายๆกันอย่างนั้นแต่จิตซึ่งหลุดพ้นแล้วนะเท่าไหรเท่าไหร่นานเท่าไห ร, นนไหร่ก็หลุดพนะ้นไม่มีทางกลับมาเป็นจิตที่ยึดถืออะไรอีกเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาเนี่ยจึงเป็นศาสตร์ที่สาคัญที่สุดที่แยกพระพุทธศาสนาออกจากศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาก็มีการทําทา น, นการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์อะไรนี้เขาก็มี การรักษาศีลเขาก็มีศีลอย่างของเขาแต่ละศาสนามีกฎเกณฑ์ข้อบบังคับคนของตัวเองการทําสมาธิมีทุกศาสนาแต่การเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของกายของใจมีแต่ในพระพุทธศาสนานี่คือศาสตร์เฉพาะถ้าเราเรียนศาสตร์เฉพาะอันนี้ไม่ได้เราไม่มีทางเข้าใจพระพุทธศาสนาเลยการจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจ เราจะเรียนด้วยการสังเกตการเราไม่เรียนด้วยการคิดเอาไม่เรียนด้วยการเข้าไปแทรกแซงเราจะเรียนด้วยการเข้าไปสังเกตการร่างกายของเรามีอยู่เราค่อยรู้สึกในร่างกายคนทั่วๆ่วไปก็มีร่างกายแต่ลืมร่างกายทั้งวันเลยเวลาที่เราไปดูเราดูอะไรก็ตามเราก็ลืมตัวเองเวลาเราฟังเราก็ลืมตัวเองเวลาเราคิดเราก็ลืมตัวเอง เราสนใจสิ่งภายนอกมากกว่าที่จะสนใจตัวเองทงั้งๆที่เรารักตัวเองมากที่สุดอย่างเวลารถชนกันนะหรือเอารถเราขับรถไปคนมาปาดหน้าเราเราโกรธพรเราโกรธเนี่ยเราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธไม่ดูว่าหน้าตาเรากลาลังเครียดขึ้นมาเราก็ไปดูคนที่มาปาดหน้าเราไปดูของข้างนอกที่มายั่วให้เราเกิดอารมณ์ เราเห็นผู้หญิงสวยมาใจเราชอบเราละเลยที่จะรู้ว่าใจเราชอบลืมตัวไปเดินตามเขาไปไม่เห็นว่าร่างกายกำลังเดินตามเขาด้วยเห็นแต่ผู้หญิงสวยเนี่ยเราสนใจของข้างนอกเราไม่สนใจตัวเองไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจของตัวเองเวลาเราคิดขณะที่เราคิดเนะเรารู้เรื่องราวที่คิดบางทีคิดอะไรยังไม่รู้เลยบางทีคิดก็รู้ว่าคิดอะไร ขนาดที่เรารู้เรื่องราวที่คิดหรือเราลงไปอยู่ในโลกของความคิดนเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจอย่างเมืองไทยเนี่ยยุ่งเยอะเวลาเรานั่งคิดอะไรเพลินๆไปยุงแอบมากัดเราไม่รู้ตัวเลยยุงกัดจนยุงบินไม่ขึ้นแล้วนะตัวอ้วนเลยกินเลือดไปเยอะเลยเราค่อยนานๆค่อยรู้สึกทีอุย้ยคันอะไรเงี้ยเพราะเราขนาดนั้นเราใจลอยเราไปคิด ขณะที่คิดเราลืมร่างกายของตัวเองอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่รู้นะมันทีคิดไปเรื่อยๆใจเป็นสุขก็ไม่รู้ใจเป็นทุกข์ก็ไม่รู้คิดไปแล้วโกรธขึ้นมานีอย่างเรานึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาพอเรานึกถึงคนคนนี้นะเราเกลียดขึ้นมาเลยความเกลียดเกิดขึ้นขณะที่ความเกลียดเกิดขึ้นเราไม่เห็นว่าใจกําลังเกลียดแต่เรานึกถึงคนที่เราเกลียดงั้นเวลาดู เราไม่ดูว่ากายของเราเป็นยังไงใจเป็นยังไงเราเห็นสิ่งที่เราดูเห็นคนที่เราดูเวลาเราฟังเราไม่สนใจว่าร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงเราสนใจแต่สิ่งที่เราได้ยินเวลาคิดนึกเราไม่สนใจว่าร่างกายจิตใจของเราเป็นยังไงเราสนใจแต่เรื่องราวที่คิดเนี่อเมื่อใจมันหลงไปอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายในเรื่องราวที่คิด ขณะนั้นมีร่างกายก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันมีจิตใจก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันเราจะต้องพยายามฝึกตัวเองให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจให้บ่อยที่สุดแต่ไม่ถึงขนาดนั่งเฝ้าไม่ใช่จ้องอยู่ทั้งวันหลายคนฝึกกรรมฐานโดยการนั่งจ้องเนี่ยจะกระดุกกระดิกเลยรู้หมดเลยแล่ใจเนี่ยทื่อ ใจที่เป็นคนดูเนี่ยนิ่งทื่อๆ อ, อยู่กันทั้งวันเนี่ยจะทำอะไรรู้หมดไปแต่มันทื่อๆมันคล้ายๆขุนยนนะใจทื่อๆไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เราต้องใช้ใจที่เป็นธรรมชาติใจที่เป็นธรรมดาใจที่เป็นธรรมดาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราจงใจจะรู้สึกร่างกายเนี่ยแล้วใจจ้องอะไเงี้นะใจนิ่งๆนะ ร่างกายเคลื่อนไหวจริงแต่จิตใจไม่เคลื่อนไหวจิตใจนิ่งกว่าความเป็นจริงเราจะไม่เข้าไปแทรกแสงร่างกายเราจะไม่เข้าไปแทรกแสงจิตใจอย่างร่างกายหายใจออกเราก็แค่รู้สึกว่าหายใจออกเราไม่จงใจหายใจร่างกายหายใจเข้าเรารู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้าไม่จงใจหายใจถ้าเราจงใจหายใจนะเราจะอึดอัดเลยจะเครียดอย่างหัดสมาธิใหม่ๆนะนั่งหายใจน่ะเครียดมากเลย นะหายใจแป๊บเดียวเหนื่อยทั้งๆ ท, ท, ที่หายใจมาตั้งแต่เกิดหายใจตั้งแต่เกิดไม่เคยเหนื่อยแต่พอมานั่งสมาธิหายใจแล้วหายใจแล้วเครียดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะไปแทรกแซงการหายใจให้ร่างกายมันหายใจให้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนให้ร่างกายเป็นธรรมชาตินั่นแหละในจิตใจก็อย่าไปบังคับให้นิ่งปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมชาติ การจะเจริญปัญญานี้เราจะทําได้นะอันแรกเลยต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจถ้าลืมกายลืมใจก็ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อันที่สองเราไม่แทรกแซงกายไม่แทรกแซงใจไม่เข้าไปบังคับมันถ้าเราบังคับมันเราจะไม่เห็นความจริงนะถ้าอยากเห็นความจริงปล่อยให้มันทํางานแล้วตามรู้เอานะแล้วค่อยรู้เอางั้นสิ่งที่จะขวางการเจริญปัญญาของเรานะมีสองอันอันหนึ่งก็คือ ใจมันเผลอไปมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะกายกับใจหายไปแล้วอันที่สองที่ทำให้เราเจริญปัญญาไม่ได้ก็คือการเข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจยังบางคนจะเดินจงกรมนะเดินเกร็งไปทั้งตัวเลยนะเดินเดินเดินเดินด้วยใจเครียดเครียดนะร่างกายก็แข็งแข็ง นะเดินไปเดียวเดินไม่นานนะเดี๋ยวเดียวยังเมื่อยไปหมดเลยที่เดินชอปปิ้งเดินได้ทั้งวันไม่เป็นไรก็นะเดินเป็นธรรมชาติเวลาเดินจงกรมก็เดินผิดธรรมชาติเวลาจะนั่งนั่งยังไงก็ได้คำว่านั่งสมาธิไม่ต้องนั่งขัดสมาธิอย่างนี้นะนั่งสมาธินั่งอย่างนี้ก็ได้นะนั่งยังไงก็ได้นะมันอยู่ที่จิตมันไม่ใช่อยู่ที่ท่านั่งนะ อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งถ้าจิตไม่ได้ลืมกายไม่ได้ลืมใจไม่ได้บังคับกายไม่ได้บังคับใจแค่นั้นก็ถูกแล้วนะครูบาอจายของหลวงพ่อองค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุทธนะท่านเคยบอกว่าสําหรับตัวท่านนะจะทําสมาธิหรือจะเจริญปัญญาเนี่ยเอาหัวทิ้มดินเอาเท้าชี้ฟ้าท่านก็ทําไดนะ้เนี่ยจะนั่งสมาธิโดยเอาหัวทิ้มพื้นเอาขาชี้ขึ้นฟ้าจิตก็ทรงสมาธิอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางเลย งั้นพวกเราบางทีมันติดพอบอกว่าอ้าวทุกคนนั่งสมาธิต้องเริ่มขยับ <c oughs> อนั่งสมาธิะ <c oughs> พอบังคับร่างกายเรียบร้อยก็เริ่มบังคับจิตใจไปบังคับแล้วได้อะไรได้ความลําบากได้ความลําบากพอไปเดี๋ยวเดียวนะพอหมดแรงบังคับนะทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมะโง่อย่างเก่า <c oughs> แล้วเราใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะรู้สึกในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกรู้สึกไปด้วยใจที่สบายๆเราเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละส่วนกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างบางคนฝึกแบบหลวงพ่อเตียนนะขยับเนี้ยเนี่ยนะแล้วถ้าใครขยับผิดถือว่าใช้ไม่ได้ เนี่ยเข้าใจผิดอย่างไร้แรงเลยหลวงพ่อคําเขียนบลเอ็ดสจังหวะนี่มันมาทีหลังจุดสําคัญคือสติรู้สึกตัวต่างหากไม่ใช่จุดสําคัญอยู่ที่กระบวนการเพราะฉะั้นเวลาเดินจงกรมเคยเดินแบบไหนก็เดินไปนะแค่เดินรู้สึกตัวก็ใช้ได้แล้ะไม่ต้องวางฟอบในการเดินคนจะเดินจงกรมนะแล้วค่อยเดินต้องทําร่างกายให้ให้เข้าที่ก่อน พอบังคับร่างกายเสร็จก็บังคับจิตใจพอบังคับใจได้ก็เดินนะเดินเดินนะมันมีแต่ตัวแข็งแข็งไปหมดนะใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยขนาดนี้ยิ้มสิลองยิ้มทุกคนยิ้มหวานหวายิ้มหวานหวานยิ้มหวานเนี่ยเราเห็นร่างกายมันยิ้มใจเราเป็นคนรู้สึกรู้สึกว่าร่างกายยิ้มรู้สึกว่าร่างกายหายใจรู้สึกว่าร่างกาย หยุดนิ่งไม่บังคับร่างกายไม่บังคับจิตใจแค่รู้สึกถึงร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นแค่รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองอย่างที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์โกรธรู้ว่าโกรธโลภรู้ว่าโลภฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่รู้ว่าหดหู่รู้อย่างที่มันเป็นรู้เพื่ออะไรนะ ใจเราเป็นแค่คนดูเราก็จะเห็นว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นโครานกันเพราะนั้นต่อไปร่างกายแก่นะใจจะไม่เดือดร้อนเพราะกายกับใจโครานกันมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราร่างกายเจ็บป่วยจิตใจเราจะไม่เดือดร้อนเพราะมันเห็นชัดแล้วว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองถึงร่างกายนี้จะตายนะจิตใจก็ไม่เดือดร้อนมันเห็นในตัวตัวอะไรตัวหนึ่งจะตาย มันไม่ใช่เราตายอีกต่อไปเพราใจมันไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวไม่เข้าไปยึดถือมันก็ไม่ทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในใจนะเราเคยเห็นจนจะทั่งจิตใจมันเห็นเชื่อเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของชั่วคราวความสุขผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความดีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความชั่วโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ผ่านไป การที่มันเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะมันจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยเป็นของที่แปรปลอมมาทั้งเหมือ น, นคนมาเยี่ยมบ้านเราเขามาเยี่ยมบ้านเราไม่นานเขาก็กลับบ้านเขาความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วเหมือนคนที่มาเยี่ยมเราแล้วเดี๋ยวเดียวก็กลับไปเพราะฉะนั้นคนที่มาเยี่ยมเราแล้วเขากลับไปเนี่ยเราไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับเขานะเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเขาจะเป็นยังไงนะ ใจเราไม่กระเถือนไม่หวั่นไหวแต่ถ้ามันเป็นตัวของเราเองเป็นคนที่เรารักคนที่เราหวงแหนเป็นอะไรขึ้นมานะเราหวั่นไหวนะเนี่ยเราสามารถเรียนรู้นะจนกระทั่งรู้สึกเลยร่างกายนี้เหมือนคนอื่นเลยนะใจนี้ก็เหมือนคนอื่นเลยเราบังคับมันไม่ได้ถ้าเราสามารถเห็นได้ตัวนี้นะใจมันจะเป็นอิสระขึ้นมาทุกวันนี้ใจเราถูกปัญหาถูกเจ้าหนายลึกลับสั่งได้นะีมันมีความอยากนานาชนิดเกิดขึ้น ความอยากนะทุกสิ่งทุกอย่างในใจเราที่หมุนขึ้นมานะมีแต่ความอยากเต็มไปหมดเลยทั้งวันความอยากผุดขึ้นทั้งวันความอยากมีนานาชนิดมากมายใกลกองนั้นถ้าย่อลงมาสรุปลงมาประมวลลงมานะมันแค่อยากให้ร่างกายให้จิตใจนี้เป็นสุขอยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจนี้พ้นทุกข์มันอยากแค่นี้เองแหละแต่ว่าอยากแล้วมันแตกกระจายรูปแบบออกไปเยอะแยะเลยทำไมเราอยากไปดูหนัง เราอยากให้มีความสุขทําไมเราอยากไปคุยกับเพื่อนเราอยากให้มีความสุขหรือเรากลุ่มใจอยากไปกินเหล้าทําไมต้องไปกินเหล้าอยากให้มีความสุขอยากให้มันพ้นจากความทุกข์ไม่สบายไปหาหมออยากให้ร่างกายแข็งแรงเพราะฉันเป็นเรื่องโยงอยู่ที่กายที่ใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นความอยากนะถึงจะมีมากมายมหาศาลเท่าไหร่เท่าไรเนียย่อลงมาแล้วก็คืออยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ อยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์เท่านั้นเองแต่ถ้าวันใดเราเห็นความจริงนะร่างกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเรามันทุกข์จริงนะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าใจเห็นอย่างนี้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ร่างกายใจจะไม่ทุกข์ไปด้วยความทุกข์จะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นจะเข้าไม่ถึงจิตใจหรือเวลาที่เราพลัดพรากจากคนที่เรารัก เราเคยมีแฟนอยู่หรือสามีพัญญาเรามีอยู่นะเราตายไปปุบ ป, ปับตายไปพลัดพรากไปคนที่ไม่ได้เคยภาวนานะจะทุกข์มากเลยคนที่เรารักตายไปหรือคนที่เราเกลียดมันมาอยู่กับเรานะคนที่เราไม่ชอบหน้ามันเลยมันย้ายบ้านมาอยู่ข้างบ้านเรามีบางคนนะย้ายบ้านหนีไปนะชิดว่าพ้นะเวรกรรมจัดสรร น, นะไอะ้นี่ก็ย้ายบ้านเหมือนกันแล้วไปอยู่ใกล้ใก้กันอีกอ อ, อย่างเนี้ยนะ เวลาเจอคนที่ไม่ชอบเนี่ยใจมันก็ทุกข์นะเป็นทุกข์แต่ถ้ามันเคยเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นเป็นของช่วคราวเวลามีความสุขจากการที่เจอคนที่รักเวลามีความทุกข์จากการเจอคนที่เกลียดเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวเพราะใจมันเห็นตรงนี้นะเมื่อเจอคนที่รักแล้วคนที่รักอยากไปใจก็รู้สึกว่าธรรมดาเป็นเรื่องปกติทุกอย่างมันธรรมดา เวลาเราเจอคนที่เกลียดมาอยู่กับเรานีใจมันก็ไม่ดิ้นรนนะไม่ทุกข์เพราะมันรู้ว่าเขามาอยู่โคนมาอยู่ทชั่วคราวอีกและไม่นานทุกอย่างก็เปลี่ยนเใจมันจะรู้สึกนะว่าทุกอย่างในชีวิตเหล่านี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยใจเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้ําจะท่วมโลกก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรชีวิตนี้ของชั่วคราวไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกของคนสิ้นหวัง ไม่ใช่ความรู้สึกของคนท้อแท้ใจคนสิ้นหวังคนท้อแท้ใจนี่จิตใจหดหู่แต่คนที่เดินปัญญามานี่จิตใจกล้าหาญนะจิตใจเข้มแข็งจิตใจเบิกบานจิตใจมีความสุขนี่บางคนบอกมาเห็นแต่ทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์จิตใจก็เฉาสิจิตใจเฉาเนี่ไม่ได้เห็นจริงไม่ได้ภาวนาภาวนาไม่เป็นมันเป็นคนทั่วๆไปที่ไม่เคยปฏิบัติธรรม ถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเราเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นกายนี้เป็นทุกข์เห็นใจนี้เป็นทุกข์เห็นกายนี้ชั่วคราวเห็นใจนี้ชั่วคราวแต่จิตมันเบิกบานจิตมันร่าเริงนะท่ามกลางปัญหาท่ามกลางวิกฤตการทั้งหลายจิตยังเบิกบานอยูนะ่เหมือนเราอยู่ในกองทุกข์นะด้วยใจที่เบิกบานมันจะไม่ทุกข์อย่างเด็ดขาดเลยนะถ้าใจมันไม่ยึดถือในกายในใจเนะนี่ยเป็นความอัศจรรย์นนะ ท่านพุทธทาสท่านเคยพูดถึงว่าลิ้นงูอยู่ในปากงูนึกออกไหมลิ้นของเราอยู่ในปากของเราเหมือนกันนี่นะทำไมต้องไปลิ้นงูด้วยลิ้นงูอยู่ในปากงูงูมีเขี้ยวพิษมีเขี้ยวเป็นพิษแต่เขี้ยวเป็นพิษเนี่ยมันไม่กัดลิ้นของมันนะจิตที่ฝึกดีแล้วเนะเราอยู่ในกายซึ่งเป็นกองทุกข อยู่ในความรู้สึกทั้งหลายอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เป็นกองทุกข์มีแต่ความแปรปรวนถึงสุขก็สุขชั่วคราวเดี๋ยวก็แปรปรวนอีกนะมันอยู่โดยที่มันไม่ทุกข์ท่านเปรียบเหมือนลิ้นงูที่อยู่ในปากงูเขี้ยวพิษคือความทุกข์เนี่ยกัดลิ้นไม่ได้นะกัดลิ้นไม่ได้มันเหมือนจิตที่ฝึกดีแล้วนะอยู่กับสิ่งที่เป็นกองทุกข์นี่แหละแต่ทุกข์ทั้งหลายมันกัดจิตเราไม่ได้ทําร้ายจิตเราไม่ได้นะ สิ่งเรานี้ไม่ใช่ปรักญาสิ่งเรานี้มีวิธีฝึกทั้งสิ้นนะมีวิธีฝึกทั้งสิ้นที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวนะิปัสสนากรรมฐานเนี่ยใช้วิธีมีหลักนิดเดียวให้เรารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนะดูกายดูใจอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็นดูด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงนะมีหลักอยู่แค่นี้เองคือรู้รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะ เห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไปแต่เรารู้ด้วยใจที่สบายๆใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงดะงนั้นเกิดความสุขเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามีความสุขไม่เข้าไปแทรกแซงว่าทำอย่างไรความสุขจะเกิดบ่อยๆทำอย่างไรความสุขจะอยู่นิรันดรจะไม่เข้าไปแทรกแซงเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่แทรกแซง เราไม่ได้แทรกแซงว่าความทุกข์จงหายไปความทุกข์จงอยากเกิดขึ้นใหม่ mm. จะไม่มีการแทรกแซงเราจะรู้ด้วยใจที่สบายๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียไม่มีอคติที่จะชอบอันใดหรือเกลียดอันใดนะเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปการที่รู้โดยไม่มีอคติไม่มีบสรู้แบบซื่อๆรู้โดยไม่แทรกแซงนะจะทาให้เรารู้ความเป็นจริงได้ คนในโลกนี้มองสิ่งทั้งหลายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะมีไบแอสในใจนี่เองนะใจไม่เป็นกลางนี่เรามาดูกายมาดูใจดูด้วยใจที่ไม่มีอคติไม่ไปชอบมันไม่ไปเกลียดมันนะรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นแต่ถ้ามันเกิดความพอใจไม่พอใจเราก็ไม่ห้ามเช่นความทุกข์เกิดขึ้นใจเราไม่ชอบเราก็ไม่ห้ามเพราะเราห้ามไม่ได้ คำว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าบังคับไม่ได้จิตเป็นอนัตตานะร่างกายก็เป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้จริงร่างกายเนี่ยเราสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ไม่ให้หิวไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้กระหายน้ําไม่ได้สั่งไม่ได้จิตใจเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงสุขอย่างเดียวห้ามทุกข์จงดีอย่างเดียวห้ามชั่วสั่งไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้เราไม่แทรกแซงเรารู้มันอย่างที่มันเป็นค่อยๆดูมันไปดูมันไปอย่างสบายๆ แต่พอเราเห็นความสุขเกิดขึ้นใจมันชอบใจมันชอบก็ห้ามไม่ได้ใจมันจะชอบใจมันชอบขึ้นมารู้รู้ว่าชอบนะรู้ทันว่าใจมันชอบพอรู้ทันว่าใจชอบเนี่ยความชอบอันนั้นจะดับไปเองดับอัตโนมัตินะเพราะเมื่อไรเรารู้ทันสภาวะที่เป็นกิเลสกิเลสจะดับอัตโนมัติความยินดีความยินร้ายเนี่ยเป็นกิเลสทันทีที่เรารู้ว่าชอบมันมีราคานนั้นเองชอบมัน ทันทีที่เรารู้ว่าไม่ชอบมันความชอบความไม่ชอบจะดับเมื่อมันดับแล้วจิตจะเป็นกลางเราก็รู้การู้ใจของเรารู้ความรู้สึกเท่าไหร่ในจิตใจที่เป็นกลางต่อไปอ น, นี้รู้ไปเรื่อยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นใจชอบรู้ทันความชอบก็ดับเราก็เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นด้วยความเป็นกลางใจเป็นกลางก็จเห็นสภาวะนั้นเกิดแล้วก็ดับไป เราไม่เข้าไปแทรกแซงมันเกิดแล้วดับได้ถ้าเข้าไปแทรกแซงเนียเราจะไม่เกิดปัญญาถ้าเข้าไปแทรกแซงจะไม่เกิดปัญญานะเช่นจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ไปนั่งสมาธิให้สงบพอสงบดีแล้วนะถอยออกมาเราจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่ ง, กงจิตนี้เป็นของบังคับได้จิตฟุ้งซ่านเนี้ยกูเก่งกูทำสัสงบได้เลยเพราะงั้นยิ่งเราฝึกนะคนที่ฝึกสมาธิมากมากเนี่ย แทนที่จะเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะกลับจะรู้สึกว่ามันบังคับได้แล้วไม่ได้ดูให้ยาวพอถ้าดูให้ยาวพอก็จะพบว่ายังไงก็บังคับไม่ได้อย่างนึงนั่งทำสมาธิทำสมาธิเก่งนะเนี่ยทำปุ๊บเข้าปับแล้วจะทรงอยู่แค่ไหนก็ได้ตามใจชอบนะอยากออกก็เคลื่อนออกมาเวลาออกมาต้องมีศิลปะนะเวลารวมเข้าไปรวมเร็วไม่เป็นไร แต่เวลาออกเนี่ยถ้าพรวดออกมาเลยปวดหัวเลยถ้าค่อยๆ ถ, ถ, ถ, ถอยออกมาเนี่ยถ้าฝึกแหมจะเข้าก็ได้จะทรงอยู่ก็ได้จะออกก็ได้รู้สึกว่ากูบังคับจิตได้แต่มันทำได้ชั่วที่สมาธิยังไม่เสื่อมหรอกสมาธิก็เป็นของเสื่อมนะวันนี้ทำสมาธิคล่องวันหน้าจะเข้าไม่ได้เลยก็ได้เพนั้นคนที่รู้สึกว่าบังคับร่างกายก็ได้บังคับจิตใจก็ได้คือพวกที่ทรงชาาอย่างนั่งสมาธินะ อยู่ได้ตั้งเจ็ดวันไม่กระดุกระดิกเลยไม่กินข้าวอยู่ได้ไม่ตายด้วยเนี่ยรู้สึกกูเก่งกูเก่งแต่สุดท้ายก็ต้องกระดุกระดิกถ้าไม่กระดุกระดิกก็ตายจนได้แหละเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันคงทนมันหลอกเราได้ชั่วคราวสมาธิอ่ะมันหลอกว่ากูเก่งกูเก่งงั้นเราจะไม่ไปหลงอย่างนั้นนะเราจะดูโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกมันจะไม่รู้สึกว่ากูเก่งหรอก มันจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้สัอย่างเดียวไม่ต้องรอว่านั่งสมาธิวิจิวันแล้วถอยออกมากูเก่งกูเก่งไปนั่งอีกแล้วถอยออกมาไม่ทันจะสังเกตสักทีว่าสมาธิมันเสื่อมมันเสื่อมได้นะที่ว่าบางังคับได้ก็บังคับไม่ได้ตลอดถึงวันหนึ่งก็ต้องกินข้าวอีกแล้วถึงวันหนึ่งก็ต้องไปนอนอย่างเงี้ยมันบงังคับไม่ได้จริงมันหลอกตัวเอง เมืเรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียนรู้ด้วยใจที่เป็นธรมธรมดาธรรมดาใจที่ไม่เข้าไปแทรกแซงนี่คือหลักของการเจริญปัญญาเวลาที่เรารู้สึกกายเรารู้สึกเดี๋ยวนี้เลยรู้สึกได้เดี๋ยวนี้เลยร่างกายเราเคลื่อนไหวให้เรารู้สึกนะรู้สึกด้วยใจที่สบายๆนะไม่ใช่รู้สึกนะเหมือนไอตัวที่อยู่ข้างถนน <laughs> ไร้สาระนะเคยเห็นไหมอยู่ข้างถนนนะเอาพัดลมเป่าเป็นตัวยางอะ่ะไร้สาระที่สุดเลยนะรู้สึกสบายสบายหัวเราะเห็นร่างกายหัวเราะยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินข้าวเห็นร่างกายกินข้าวเป็นนั่งขับถ่ายเห็นร่างกายขับถ่ายนะเห็นไปมันไม่ใช่ตัวเรานะค่อยค่อยดูค่อยคอยรู้ไปสบายสบาย ร่างกายดูลงปัจจุบันดูเดี๋ยวนี้ได้เลยแต่การดูจิตใจจะต่างกับร่างกายจิตใจจะไม่ดูลงปัจจุบันเป๊ะๆนะเช่นโกรธแล้วถึงจะรู้ว่า you know. โกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภโกรธไปก่อนถึงรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าบ้าโลภขณะที่โกรธเนี่ยจะรู้ไม่ได้ขณะที่โลภจะรู้ไม่ได้เพราะขณะที่โกรธขณะที่โลภลงเลนี่ยขณะนั้นมีกิเลสสติจะไม่เกิดเด็ดขาดเลย สติจะเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธในสติปัฏฐานสูตรนะพุทธเจ้าสอนว่าดูขรภิกขุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะแม้จิตมีราคะแล้วก็ค่อยรู้ว่ามีราคะคนละสเต็ปกันนะแต่ว่าไม่ใช่เมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้อันนี้นานไปนะต้องแบบกระชั้นชิดโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธ โลภแล้วรู้ว่าโลภอย่างนี้กับชันชิดไม่ใช่โกรธไฟรู้ไปเป็นไฟไม่ได้โลภไฟรู้ไปเป็นไฟไม่ได้นะไม่เหมือนร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวไปก็รู้สึกไปอย่างนี้เป็นไปได้แต่จิตใจทําไม่ได้การดูจิตดูใจเราจะดูตามหลังแต่ตามติดๆมันมีศัพท์อยู่สองคำคือดูร่างกายเนี่ยเรียกปัจจุบันขณะ now เดี๋ยวนี้เลยนะปัจจุบันขณะแต่ดูจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบัน ต่อเนื่องกับปัจจุบันโกรธแล้วก็ต่อเนื่องมารู้ว่าโกรธไม่มีตัวอื่นมาขั้นถ้าเมื่อวานโกรธนะแล้วมีอารมณ์อื่นอีกร้อยอารมณ์มากัน้นแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะมีช่องว่างนานไปโกรธแล้วรู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภอย่างนี้ใช้ได้หัดนะดูไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งจิตมันจะยอมรับความจริงเราไม่ได้สะกดจิตให้เชื่อ แต่จิตได้เห็นความจริงของร่างกายซ้ําแล้วซ้ำอีกจิตได้เห็นความจริงของจิตใจซ้ําแล้วซ้ำอีกในที่สุดจิตก็ยอมรับความจริงจิตของเราไม่ยอมรับความจริงความจริงก็คือร่างกายเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้จริงหรอกเราอาศัยมันอยู่ชั่วคราวนะความจริงก็คือจิตใจเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้มันจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเราสั่งไม่ได้จริงหรอกเนี่ยความจริงเหล่านี้เรายอมรับไม่ได้เรารู้สึกว่าเราสั่งได้มันคือตัวเรามันอยู่ในอํานาจของเรา แต่เมื่อไรจิตเห็นความจริงแล้วนะ่ยกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อมันไม่มีตัวเราซักอย่างเดียวนะใครจะทุกข์ความทุกข์จะอยู่ที่ไหนความทุกข์ไปอยู่ที่ขันห้าอยู่ที่รูปที่นามที่กายที่ใจแต่ว่าจิตนี้ไม่ทุกข์อีกต่อไปนะสภาวะอันนี้มีอยู่จริงๆนะและไม่เป็นความสุขที่ไม่ต้องเข้าเข้าออกออ ก, ออกตอนหลวงพ่ออหันดยังเป็นโยมนะมีอยู่วันหนึ่งเป็นนั่งสมาธิ จิตเคลื่อนไปหาอารมณ์รู้ทันจิตเคลื่อนไปแล้วจงใจถอยกลับมาที่ตัวรู้พอทวนมาใกล้ๆตัวรู้ไม่จับตัวรู้นะเคลื่อนออกไปดูอารมณ์อีกอย่างเรารู้ลมหายใจอยู่นี่จิตเคลื่อนไปที่ลม้อเคลื่อนไปเราไม่จับลมจิตเคลื่อนกลับมาที่ตัวผู้รู้เราไม่จับตัวผู้รู้อีกนะเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนมานะแล้วก็รวมลงตรงกลางเลยดับลงไปต่านั้นเหลือแต่ความรู้สึกตัวสว่างสวัยร่างกายไม่มีโรคไม่มีอุ้ยมีแต่ความสุขนะ สว่างสวยความคิดก็ไม่มีโอ้นี่แหละวา่านิพพานนะที่ว่านี่นิพพา น, นะหัดเล่นใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวพอหลุดออกมาแนละ้วก็เข้าใหม่ส่งจิตไปทาง น, น้นส่งจิตไปทางนี้ไม่จับอารมณ์ไม่จับผู้รู้ไม่จับจิตไม่จับอะไรสักอย่างรวมลงไปในความไม่มีอะไรนี่แหละนิพพานนิพพา น, นไปเจอจันบุญจันไม่ได้เจตนาจะเจอเลย หลวงพ่อไปสัมมนาที่เชียงใหม่ตกค่าหนีจากวงสํมมนานักเขากินเลี้ยงไม่ใช่หนีสัมมนานะเขากินเลี้ยงเรารู้สึกไร้าสาระมานั่งกินเหล้ากันอยู่นั่นเนี่เสียเวลาละเลียดเราไม่เอาเรากินข้าวนะรีบๆกินแล้วหนีออกมาเลยจากโรงแรมไปวัดวัดสันติธรรมไปถึงวันนะ้ะมืดตึ๊ดตือเลยมันหน้าหนาวไฟมันดับไปด้วยแมีพระองค์หนึ่งมายืนอยู่ที่ประตูหนุ่มๆ น, นะ พระวนี้มาเจอหลวงพ่อปุ๊บก็ดีใจเลยเข้ามาหาบอกตอนเนี้ยอาจารย์บุญจันทร์มาลงมาจากถ้ำผาพึ่งมาอยู่ที่วัดสันติธรรมเนี่ยให้ไปพบหน่อยแล้วบอกไม่เอาไม่รู้จักทะเลาทะล่าไปพบได้ไงนะไม่รู้จักแล้วกลางคืนแล้วอะไม่เอาผมจะมาหาอาจารย์ทองอินจะอาวาสไม่ได้มาหาอาจารย์บุญจันทร์ไม่รู้จัก ถามว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมอยู่อยู่ท่านก็บอกอย่างนี้นะถ้าทางส็งสงเอาเราไปหาอาจารย์วุญจันทร์ไม่ได้เราก็ไปหาอาจารย์ทองอินพระนี่ก็พาไปนะคุยกับอาจารย์ทองอินอยู่ร่วมชั่วโมงนะสนทนาธรรมะกันมุวนมากเลยเสร็จแล้วออกจากอาจารย์ทองอินเปิดประตูมานะมืดตือต้อๆเลยเหนาวจดาดด้วยเว้ยพระนี่ยังยืนเฝ้าอยู่นะแกก็หนาวเหมือนกันนะ ชุดพระตอนอยู่ในวัดนึงก็แต่งตัวอย่างเนี้ยเปิดไหล่ข้างหนึ่งยยเห็นเยอกท่านก็บอกว่านี่อาจารย์บุญจันทร์นานๆมาทีนะั้นไปหาหน่อยเถอะรบเราอยู่นั่นนะเราว้าเกรงใจอุตส่าห์ยืนรอเป็นชั่วโมงนะคล้ายๆหนังจีนเลยคือถ้าท่านไม่ยอมรับเราจะคุกเข่าไม่เลิกคล <c oughs> <c oughs> ้ายๆหนังจีนนะนี่ยืนรออยู่นี่เราไม่ยอมไปไหนเลยเอาไปก็ไป อย่างมากก็ท่านก็ด่าว่าไม่รู้จักมารยาทบุกไปกุฏิท่านกลางคืนไม่ถึงนะขึ้นบันไดไปกุฏิเป็นไม้มีระเบียงแคบๆนะมีตั้งอยู่ตัวนึงมีเตียงเล็กๆอยู่ตัวหนึ่ ง, ง, งท่านอนอนกลุมโป่งอยู่พะเราขึ้นบันไดไปนะเพระนั้นนําขึ้นไปแนละ้วพระนั้นรีบเข้าห้องไปเลยหลวงพอ่ออาจารย์บุญจันทร์อยู่บนตังนะ้งเราก็ลงไปนั่งท่านก็ลุกขึ้นมานั่งเปิดผ้าคลุมออกมา ชี้หน้าเราเลยไงภ า, าวนายังไงบอกเฮย้ยพระอุณิแปลกเว้ยไม่เคยรู้จักเลยชี้หน้าภาวนาไงเราก็เล่าให้ท่านฟังเราไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์จิตรวมลงตรงนี้นะท่านตวาดเราเละเฮ้ยนิพพนะ า, า, านอะไรมีเข้ามีออกนะแล้วท่านก็ถามง่ายจะภาวนาไงาต่อไปเราก็นึกว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องเนี่ยกูเก่งสักขนาด จริงไม่ได้คิดว่าท่านไม่รู้เพราะว่าท่านโง่นะคีดว่าท่านไม่รู้เพราะสำเนียงภาษาไม่เหมือนกันเราคิดว่าท่านฟังไม่ออกก็เล่าซ้ํานะเล่าซ้ําครั้งที่สองไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์ถ้าไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์ก็คือไม่จับอะไรเลยนึกออกไหมไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์ก็คือไม่จับอะไรเลยแล้วคิดว่าตัวเนี้ยเป็นนิพพานมันคล้ายมากเลยนะพอเล่าซ้ำครั้งที่สองท่านตะหวาดดังกว่าเก่าอีกเฮ้ย นิพพานอะไรมีเข้ามีออกเราสะดุ้งเลยนะตอนนั้นไม่ใช่สะดุง้งเพราะถูกตวาดนะสะดุง้งใจเป็นสะดุง้งอนี่มันไม่ใช่นิพพานนี่มันยังแปรปรวนได้ยังมีการเข้ายังมีการออกถ้ายังมีการเข้ามีการออกเนะี่ยไม่สเสถียร น, นะยังใช้ไม่ได้จริงของปลอมเป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดเล ย, ท, เลยที่มีเข้ามีออกอนะ่ะมันคือสมาธิพอท่านรู้ว่าเรารู้แล้วตรงนี้ไม่ใช่นิพพานนะ แล้วอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทําให้นิพพานพอท่านรู้ปุ๊บเนะจิตท่านไวมากเราไม่ต้องพูดเลยท่านหัวเราะฮ่าฮ ah, ่าดังเลยนะหัวเราะกักกัขึ้นมาเลยท่านหัวเราะได้เราก็หัวเราะบ้าง mm hmm. เราหัวเราะนะท่านที่หยุดปุ๊บเลยท่านหยุดปุ๊บเราก็หยุดปุ๊บเลยจิตเราก็เรียบเลยนะ ท, ทั้งที่หัวเราะอยู่นะพอรู้สึกปุ๊บพอท่านหยุดเราก็หยุดเรียบราบเรียบเลยเหมือนทะเลไร้คลื่นเลย ท่านบอกใช้ได้ไปได้แล้วฮะเรียกมา <c oughs> เรียกมาเพื่อจะมาตวาดเราว่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีข้ามีองก์เขาเข้าใจเข้าไปได้แล้วท่านอัศจรรย์นะไม่เคยรู้จักท่านเลยแล้วพระเด็กองนั้นก็พาหลวงพ่อมาส่งหน้าวัดบอกเลยว่าท่านสั่งมาตั้งแต่ตอนเย็นวันนี้ต้องเอาตั๋วมาให้ได้นะ <c oughs> ตอนหลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยมีคนลงไปเชียงใหม่ตอนนั้นอยู่เมืองกาญ ในพรรษาที่สี่ภานาหนักอยู่สามพรรษานะในพรรษาที่สี่มีคนลงมาบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาท่านสั่งแต่ท่านมรณภาพไปนะหลวงพ่อไปเผาศพตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชเลยท่านสั่งปีนี้เดือนนี้วันนี้ให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้ที่นี้ที่นี้่ท่านสั่งอย่างเงี้ยอัศาจรรย์นนะแปลกที่แปลกไม่ใช่อะไรที่แปลกคือโอ้ท่านเมตตาจริง เรียกเราไปตาหลวงพ่อปลื้มมากเลยถูกท่านด่าเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ทํานั้นมันผิดนะมันผิดสมาธิมีเข้ามีออกแต่นิพพานไม่มีเข้ามีออกสมาธิที่เข้าเข้ า, อ, าออกอไม่ได้ทําให้เกิดนิพพานนะนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละใจเราไม่มีคุณภาพพอใจเราตกเป็นธาตุของตัณหาเราเลยไม่เห็นนิพพานถ้าเมื่อไหร่ใจเราพ้นจากความเป็นธาตุ เราจะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้านโดยไม่มีการเข้าและการออกนะอาไปกินข้าวไป